ชสิ่งที่อ้ายมอบให้แค้ัวใจมอบให้ขอบคุณเนอแล้วอ่ายทางนองในรักเอาอ้ายเอ้ยอ้าย อ, อ้นันมาทูกคำเศร้าน้ำตาปั่นดวงนดน้ำตาคือสายชาสวยสงเาสดีชายทำไห้ในหัวใจดวงหนึ่งที่รักชาย กำไร ความสุขเป็น